61. โลกุตระนั้นมีความเสถียรยืนยานแม้จะเป็นส่วนน้อยโลกุตระนั้นมีความเสถียรยืนยานแม้ขณะ น, นี้จะมีเป็นส่วนน้อยก็มีสภาพจริงของความยั่งยืนและมีความยั่งยืนจริงไม่หวั่นไหวต่อสังคมโลกีที่เป็นหมู่ใหญ่ห้อมล้อมเราดังนั้น ยิ่งถ้าเป็นส่วนมากก็ยิ่งจะมีน้ำหนักสูงได้ผลเร็วแน่นอนที่สำคัญมีความเป็นเอกภาพอย่างเหนียวแน่นจริงเพียงแต่ในโลกนี้ยังมีคนเป็นได้ส่วนน้อยอยู่เท่านั้นจึงเป็นเหตุนิทานสมุทัยปัจจัยเกิดนิยายของโลกในความเป็นมนุษย์ตามฐานะของแต่ละคน เรื่องราวแตกต่างกันไปบ้างตามฐานวิบากของแต่ละคนะว่านิยายจะมีส่วนเป็นคุณค่าประโยชน์ให้แก่สังคมจริงแม้จะเริ่มจากน้อยไปก็ตามเพราะโลกุตรธรรมมีความตั้งมัน่นที่เที่ยงนิจจังยั่งยืนทุวังตลอดไปสัสะตัง ไม่เปลี่ยนแปลงไปอีกแล้วอวิปรินามธรรมมังไม่มีอะไรมาหาักล้างได้อสังหิรังไม่กลับกําเริบอสังกุ ป, ปังอย่างแท้จริงถ้าเป็นโลกิยธรรมตนเองก็ถูกกํากับให้มีพฤติกรรมในชีวิตประจำวันส่วนมากก็เป็นแบบโลกิมีเหตุนิทาน สมุทัยปัดใจเกิดนิยายของโลกในความเป็นมนุษย์ต่างๆของแต่ละคนมากมายหลากหลายเรื่องราวเต็มโลกแต่ไม่เป็นเอกภาพเด็ดขาดเพราะโลกียธรรมนั้นมันแตกต่างกันไปคนละทาง ยิ่งมากมันก็ยิ่งมีความแตกต่างที่หลากหลายพิลึกกึกกือซับซ้อนซ่อนเชิงก็สุดยอดอมหิตโหดก็สุดสาหัสไม่ว่าจะเป็นความเห็นแก่ตัวหรือลีลาของความโลภโกรธหลงล้วนแตกแยกแผกต่างกันไปไม่สามารถประมาณนับกันได้ จึงยิ่งเป็นภัยร้ายยิ่งยิ่งตรงกันข้ามการกับโรกุตรธรรมที่ยิ่งเป็นคุณวิเศษยอดอันหาที่เปรียบไม่ได้ไปคนละทิศทาง180อองศาด้วยสัจจะความจริงอย่างนี้เอง